งตาเป็นผู้พูดตอนทั้งหลายเป็นผู้ฟังแล้วนำไปทำาถ้ามันมีสิ่งที่ควรจะมีสิ่งที่มันควรจะมีให้มันหมดไปเป็นทำได้ปฏิบัติได้เล่นความรู้ทำให้เกิดขึ้นมาก้าบลอมหลงทงหมดไปมากมา ก, มากเรียกว่าปฏิบัติ เปลี่ยนควาหลงเป็นควงมรู้หัวหน้าโจกปัญโุที่นี่ตัวสมมติไทยตัวสังขารคือตัวหลงถ้าจะทำที่เหตุตรงนี้มันก็มีผลเกิดขึ้นถ้ามีหลงมันก็เป็นไปทางหนึ่งถ้ามีรู้ก็เป็นไปทางนึ่งทางหลงไปสู่บายทางรู้ไปสู่มกขลนิพพานแยกกันตรงนี้ ได้จากเกษตรทางตัวนี้กันบุกเปิดไปก่อนเหมือนาวดงชาวป่าเรามาอยู่หลังเขาบุกป่าเสีก่อนถางป่าเสีก่อนเด้งค่อยปลูกหข้าไล่หูตัวปู ง, งาได้การถางป่าก็าเป็นเบื้องต้น ป่าคือหลงอวิชชาคือหลงถ้ามีป่าก็มีเสือมีสัตว์ลายถ้ามีหลงก็มีความโกรธความโลภความทุกข์ความลอกความเกลียดชังณที่ใดมีป่าอย่าประมาทอย่าประมาทในความหลงเสืออุบาทมีอยู่คู่สถานคอยจับจ้องมองเหยื่อทุกวันวาน ถ้ามีความหลงก็มีสัตว์ลายคอยจับจองชีวิตของสัตว์โลกเมื่ออยู่ในโดในป่าเจ็บเจ่ายเจ็บตายเพราะความหลงเป็นทุกข์เพราะความหลงเราจึงต้องเปลี่ยนท่านี้อย่าไปแช่สมองหัวคิดปัญญาเหมันหลงรู้ทันทีทำเช่นนี้ อันทำได้ตามรอยพระพุทธเจ้าบางที่หลวงตาได้พูดมาว่วานนี่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทำอะไรทำให้เกิดพุทธเจ้าขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นลูกเนี่ยหลงอะไรหลงคิดหลงายหลงกิดเราจะมาดูตรงๆเข้าไปให้มีสติตูกายเข้าไปนั่งอยู่ต้นชีมาโพ การกู้เาแขนเข้าการเหยียดแขนออกให้รู้สึกตัวประกอบขึ้นมาไม่ใช่คิดนึกนกคิดคิดฝันฝันเนาะไม่ใช่เอนความกระทาจริงๆกรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งเอาสติไปตั้งไว้ที่กายเนะี่ยให้ทําลงไปให้รู้ลงไปกู้แขนเข้าเหยื่อแขนออก หายใจเข้าหายใจออกเดินแต่งหน้าเดินไปเดินมางานของเราเป็นงานของชีวิตจะได้ชีวิตถ้าหลงเป็นหลงไม่มีชีวิตทุกเป็นทุก์ไม่ได้ชีวิตรลกเป็นลิกเกียดชังเป็นเกียดิชังยินดียินไล่พอใจไม่พอใจนั่นไม่ใช่ชีวิต ชีวิตมันต้องไม่เป็นอะไรคือพราวะที่รู้รู้แล้วรู้แล้วรู้ซื่อเขาไปไอ้เรื่องที่มันผ่านจากภาวะที่รู้เนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นหลงต่อหน้าต่อตาเห็นสุขเห็นทุกข์ที่มันเกิดกับกายกับใจไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ให้รู้เข้าไปรู้เข้าไปใน ควาเพนเนดนหกคืนนั้นทำให้เกิดการตัดสัลูขึ้นมาเราได้พูดไปแล้วจบไปแล้วต่อไปให้พูดอะไรอีกเราเล่าถึงการแสดงธรรมมีคนน่าคนฟังคือปัญจวัคคีนะก็พูดไปแล้วเมื่อได้ตัดสลูขึ้นมาเหมือน น้มชุ่มชอมในชีวิตจิตใจของผมเปลี่ยนแปลงภาวะเดิมมาเป็นภาวะใหม่ก็ย่อมคิดถึงสัตว์โลกในพวามเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมเหมือนน้ำฝนที่โปรยลงมาชุ่มชอมในชีวิตจิตใจเมตตากุณาเนีแผ่ขยายไปสบรบปะสิ่งได้หลายมหากุณาธิคุณ คิดถึงเสร็์โลกเฮ้ยคิดถึงคนมีทุกข์คิดถึงคนที่ไม่ไมีทุกข์เหมือนกับเราได้กินข้าวอาหารดีๆคิดถึงลกูกคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อแม่คิดถึงลกูกคนจะส า, ามีคิดถึงกันเอาอยากจะกไปฝากขณะนั้นพุทธะเกิดขึ้นแก่สามัญชนคนหนึง่งคือสุตถาได้ เปลนแปลงชีวิตขึ้นไปให้ตาคนตาเต็มเปลี่ยมคิดถึงใครละ่ะตอนนั้นสวัยมุติศกอยู่ในใต้ต้นสีมะพร้าวสอาทิตย์วันแรกอาทิตย์แรกมองออกไปยืนทั้งข้างต้นสีมะพร้าไม่กระพริบตาเลยอาศจรไม่กระพริบตาเลย แต่มื่อพุทธิศุกอยู่ถวนั้นต้ารอบศีมาโพตอนนั้นตามพุทธประวัติของมหาญาณมีเด็กชายสวัสดิ์เด็กกระพะเลี้ยงควายให้ชาวบ้านเขารับจ้ากับน้องสาวคนหนึ่งเด็กเ ด, ด, ด็กน้อยถ้าจะมองดกูก็รุ่นเล่าเขาเรียกเป็นาหุนระหว่างนั้นพุทธเจ้าก็เล่นกับเด็กน้อยสองคนนี่ ตายสวัสด์เป็นผู้ชายแล้วมีน้องสาวตัวเล็กๆนะรับจ้างเลี้ยงว่วยให้จาบ้านเขาบ่ได้อยู่ได้กินกะมาเล่นกับพระพรุทธเจา้าพระเจ้าก็มองเหมือนกับลกูกราหุนมันรุ่นเล่าเขาเดียวกันประมาณหกเจ็ดปีเนี่ยพระเจ้าออกบวดลหลอนประโซดได้เจดวัน จิตจะออกปวดลาหอนระสูตดได้เดวันลำเป็นทุกขยาหกปีเจ็ดปีนี่เด็กชายสวัสดิ์ก็อายุรุ่นเนี่ ย, ยกเลยใส่ใจมีเมตตากนาตอนที่ได้เสียทิย์แล้วจะออกสากีมาโพคิดถึงปัญจวีเนี่ยที่ได้พูดว่า เทศนากันแรกมีคนฟังห้าคนคือปัญจวคชีบรรลุธรรมตัดทแล้วย่อมคิดถึงปัญจวิชีที่เคยโอบวดเป็นอุปถาก น, นี้จากไปในวันเพ็ญวันหกได้ข่าวว่าไปโน่นอิสิปตนะโน่นอรนาศีรุ่น จากพุทธคยาไปพลานาสีเนี่ยไม่ใกล้นะต้องต่อนั่งรถเกียรชั่วโมงนะแล้วพระเจ้ า, าสมัยนอนไม่มีรถเลยเดินไปประมาณหนึ่งเดือนพอดีจากวันเป็นเดือนเกียใช่ไหมย <laughs> อยู่ฉีมาโผเดืองหนึ่งก็เป็นมือนเป็นเดินเกียพอดีแหละเดินว่า คิดหาใครไม่เจอต้องมองดูปัญจพีเนี่ยเหมาะที่สุดที่จ่องได้บรรลุธรรมก่อนค่ะเลยต้องไปสอนปัญจคีีกชายสวัสด์ก็อยากติดตามไปนั่นก็ไปไม่ได้เพราะห่วงน้องถ้ามีแต่เฉพาะสวัสด์พุทธเจ้าคงเอาไปด้วยเพราะห่วงน้องสาวตัวเล็ ก, ลกให้ยูรับจ้างเลี้ยงัวเลี้ยงคว้ไปก่อน ชชาสวัสดิ์ขอทิดตามพระเจ้าก็ไมให้ไปให้อยู่ร่องก่อนเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาดูแถวนี้แหละเราจะกลับขึ้นมาเนื้อพง ก, ก็กลับึ้นมาจริง่อโอตอนชีแล้วกลับปรดจักมาพุทธขยายังเด็กขจาสวัสดิ์ยังอยู่เอามาบวชเป็นเนร โทษเราเขาเรียกเราตอนนั้นเราหุนก็บวดตาหุนดุพระเจ้าดุเราหุนขี้โทษตลอดเวลาบางทีเราหุนก็ถูกด่าบ่อยๆก็ไม่กินข้าวเด็กน้อยพระเจ้ายังบอกให้สวัสดีไปดูราหุนไปพูดกันชวนมาแต่วัดต่อไปชวนกันดวลลาหุนมา เป็นผู้ที่เป็นต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับราหน์นะตําราพ่อต้องดูลูกชี้โทษตลอดเวลาราหน์ก็เป็นเด็กนึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ไม่รักเราดึกเช้าฉวยเนียนฉวดเพ็ดด่าเลยด่าแต่เราน้อยใจแต่อัตเนี่ยเป็นคนพูก้กราหนลตาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า ไอ้ที่เก็เจงทั้งคู่ผู้ใดขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดนั่นแหละคือผู้ขี้ขมทรัพให้เราผู้ใดขนาบแล้วขนาบอีกไม่ไปหยุดนั่นแหละคือผู้ขี้ขมซรัพให้เราวางดีๆนะได้ประโยชน์ถ้าคนไหนยกย่องนะ่ะไม่ดีถ้าวางไว้ให้ครบกบุคคลที่ขี้โทษใครเลยเป็นคนขี้โทษมากที่สุดพ่อแม่ผู้อาจารย์ เป็นผู้ที่ย่อดลูกศิษย์ลูกเต้าของตัวเองมากที่สุดโดอะไรผิดวางไม่ได้ต้องตี้เข้าไปดีอันนั่นก็ไปดีอันนี้ก็ไปดีโก อ, อันนหละโกขี้ขมซับให้พระเจ้าก็ดำเนินไปถึงโน่นอิจิปตฒะนานโน่นเพราะอะไรเพราะต้องการจะให้ลูกเราเมี ไอ้บักมองชีวิตของสัตว์โลกเหมือนบัวสีโหลบัวเหลที่หนึ่งคนน้ำแล้วรอแสงอาทิตย์น้อยเดียวก็จะบานทันทีคนในโลกเมตต์นี้คืว่าอุคติตนอยู่พับตันเดบรรลุธรรมได้ง่ายเหมือ น, นบัวคนน้ำาอได้รับแสงอาทิตย์ก็ บ, บานอง บัเพศที่สองบัวอีกสองวันสามวันจะพ้นน้ําบัวเพศที่สามอีกอาทิตย์สองอาทิตย์จะพ้นน้ําบัวเพศที่สยังอยู่ในดินยังไม่ขึ้นพ้นดินเรียกว่าเนยยะปัททะปัละมุคกติจะอยูอันดับแรกวิปติจิณยูอันดับที่สองเนยยะ อ, 2, ะะะะอันดับที่สปัททะปัลมะอันดับที่สี่เปึกหนาสาหดบอกให้มีสติก็ไม่เอาปฏิบัติมาเป็นสิบปีแล้วยังโกธรธปัททะปัละมะต้องวัดเจนวัดตันเนี่ยนะที่จะให้มีคุณธรรมพระเจ้าจะมองเห็นลักษณะแบบนี้ไปสอนใครเห่ะที่เป็นอุกติจัดอยู่บุคคล ยิดถึงอุตกาะตาบทปูคนแรกเมื่อออกบทออดาตาบทอาจารย์ที่สองแต่ว่าตายไปแล้วแต่ยิดถึงปัญจพีนี่แหละอุคติตันยูบุคนไปที่แรกปัญจพีไม่ยอมรับเลยเอาละสำนะมากมากมาแล้วมาแล้วพวกเราอย่าอยู่หนีไป อย่าตงตอนรลับเห็นกินข้าวร้อนชุชดาแปลว่ามากักมากไม่บรรลุธรรมได้ในโลกนี้คนกินข้าวต้องไม่กินข้าวต้องนอนเทีย่ยงนอนหนามีรทธิแบบนั้นของอินเดียยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เบื่กายไม่มีอะไรไม่มีผ้านุ่กระห่ม ไปบินเทะบะตเอามือเดินไปบ้านเขาเอาใส่อาหารอะไรใส่มือเอาไปกินแปลว่าพระอรหันต์เขาเขาใช่ไหนั้นสิทธัตถะพระเจ้ากินข้าวนางสุจราถาด ท, ท้องอย่างดีคนสำนัญเขาเอาใส่มือกินเห็นที่แรกไม่ต่อหน้าชวนกันนี่หนีสำนักมากม า, ก ม, ากมาแล้วสิทธัตถะมาแล้ว โดยมานองไปไปเก็บเข้าจุดหนีไปออกจากที่แดงไปพบที่แดงเป็นสถูกเห็นหล่าถ่านไปนุ่นบนันทึกัญีเข้าอีสิบปันละเลยประมาณสองกิโลสองกอมจากพบกแยกเดินไปที่รประมาณสองกมพระเจ้าจังไม่ทอดถอยพยายามตามไปดู พอตามไปเราปันชกีกันนั่งคุยกันในะป่าอิสิปตนามลึกคายวันทาไมจึงเรียกอิสิปตนะเมลึกคาญวันเป็นที่ปวดป่วยของสัตว์โลกคนเมืองพราณศีคนมาจากไหนไปอยู่ป่านั้นนักปวดหรือชีคีไผ่อะไรต่างๆสัตวสาราจริงอยู่ที่นั่นไม่มีการทําลายกัน เป็นที่ปวดป่อยของสัตว์โลกพวกตือสีคี่ไปก็ไปอาศัยกันแล้วเข้ามาบินถ บ, บาทในจัลนาตอรนาสีขอเข้าจินมีก่อนพระพุทธเจ้าจตัชโรตามไปอยู่ที่นั่นตอนชีนั่งคุยกันอยู่อ้ามาอีกแล้วสำนักมากๆสิทธธะมาอีกแล้ว พวกเรามันต้องลกนั่งอยู่นี่แหละต่าต้อนเราเถอยประสงค์จะนั่งก็ตามใจจะมานั่งก็ไปไหนก็ไปพอเดินมาใกล้ๆโกนทะยาเพ า, ามเป็นผู้ทำหนายลักษณะเป็นหนึ่งว่าต้องตัดจะลกก็เลยยังไม่ความเคารพยู่็เลยเอาผ้า ฤๅีธนะไปปูไว้ท่านประสงค์จะนั่งก็นั่งไม่นั่งก็แล้วแต่ไม่บอกว่าฤๅีธนะปูไม่มีกระดานอไหรมอนเล่าไงโดยเจ้าก็เดินไปไปนั่งหรือผ้ายิบิบมีโกนทัญญาหันหน้าใส่พวกนั่นหันหลังเล่นอยู่หันหน้าใส่ ดูก่อนดูก่อนปัญวจวัคคีแสดงธรรมเรียกว่าธรรมะจักกปรปวัตตาสูตรพูดถึงทางแล้วก็ต่อไปอนัตตลคันาสูตรดั่งที่เราสวดพระสูตรตอนเช้าต่อไปก็ลิจัตชีให้ปัญจวัคคีฟัง โอนดันยอนั่งฟังด้วยใส่ใจส่วนวัปปะพัทธิยะมหานวะอจฉิอ่านข้างใจเล่นกันขีดติ้นขีดอะไรหันอางนีก็มองทีก็นั่งหันละ <c oughs> ขนาดไหนหก็ย่าวยังเพียรพยายามนะพยายามดูก่อนปัญจวิคีดูก่อน ฟังเรื่องนี้เราไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่ควรเสพบไม่ควรเดินอยู่สี่แผงสองแ่ ง, แงกามุขขันคายโยโคอัตจิมขาโยโคทุกขปิปุทาอย่างเอาสวดทั้งมาจากักเอวเมสุดตังเอกลงสยังระวะวินาทอิสิ ป, ปะตะมรุกะาดูก่อน อ่านเอาในพระสูตรมีอยู่ในหนังสือธรรมะต่างอะไรทุกคนได้อ่านมาแล้วไปสวดมาแล้วต่อไปอนัดตาละ้างสูตรเราถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำจะไหนกันทำที่สุดแดงกองทุกข์ทั้งเส้นนี้จะรากดชัดใจเรารูปไม่เที่ยงไวทนาไม่เที่ยง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 ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนจะเปสัมมานตาติยาตาปัญญาญาปจติอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ่นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ่นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไป สิงทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอนุญาคนรอนุญาฟังไปฟัปฟปว่าจิตตามไปจิตตามไปตื่นขึ้นมาตอบเราผู้เจ้าเข้าใจ <c oughs> ออในความยิ้มแย้มขึ้นมาจากกุฏิทปปะทีก็ตั้งอุฏทปปิปัญญาอุฏทัปปะี โลคะโลโคอุตปาทิแสงสว่างเกิดแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วก่อนเรยอบฟังไปฟังตอบรับอนญาสีวัฏโภคนทโยอนาสีวัฏโภคนทะโยรู้เร็วหรอรู้เรวแต่ก่อนชื่อโกนทันยารู้เร็วอนญาสิอันญาสิวัฏโภคนอันญารู้เร็วหรอ รู้แล้วพระเจ้าข่าห่านหน้าใาส่พรู้ส่วนวัาประปัญญายังเล่นอยู่ไม่สนใจเหมือนบัวเดาที่สองที่สามไปต่อค ร, ท, รทังยาบรุธรรมเลยเอาละได้ชื่อว่าสัมมาสมพุทธโธต่อไปก็สอนวัาประปัญญมหางมาตามดับไป อ, อบวชหรือบวชตอนบวชสม่ไมก่อนก็เป็นการบวชแบบเอหิอุปสมบทาเป็นภิกษุมาเถิดทำไม่ในเกาน่าดีแล้วยกวิตตามทับนันเถิดว่ากับโกนทัญญาว่ากับว่าปะพระเทียมหาธรมเพราะอะไรเพราะห้าคนนี่เป็นพระสงฆ์แล้วตั้งแต่ยังไม่บวชเลย ท่านจงเป็นพิษุมาเถิดทำไม่ในเราตัดไปดีแล้วท่านจงเป็นผู้พิตามทำนั่นเถิดในลำหลงอย่าไปตามหลงให้ตามความรู้สึกตัวในลำโกรธอยไปตามความโกรธให้ตามมาความรู้สึกตัวประพิตามทำนั่นเถิดตท่นี้ผมชีวรสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมท่านจะเป็นพิกสุมาเถิด ทำไม่ไหนเราตัดไว้แล้วท่านจงพิพุทธทำท่านจงเป็นผู้พุทธตามพระธรรมไม่ไหนให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดคนทายาสิ้นทุกแล้วเอาพฤติตามทำมันเถิดผู้ที่ไม่บรรลุธรรมจงประพฤติตามทำไม่ไหนให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดจะบวชคนที่เป็นประชชนและบวชเป็นผู้ที่เป็นพบาหานประมาณเตือนแปด ขึ้นสิบห้าค่ำพอปวดันเย็บชีล้วบรรลุธรรมแล้ ว, ลวออกจากอสิบันละไปพวกเราไม่เท่านี้แต่มันจริงอย่างนี้ไปช่วยมนุษย์สั์โลกทั้งหลายพวกเราเป็นพู้พุ้นเจ้าบวงหามา น, นแล้วจงไปจงไปไปคนละทางนะเราไม่น้อย ก่อนสัญญาไปทางนั่งวับปะปะใจอย่งอาตชี้ไปทา ง, หงมหานมามาอัดไปทางนั่งเราจะไปอุรุเวราเจนาณิคมได้สัญญากับพระเจ้าผีวิาสารไว้ตั้งแต่ อ, อุบวตจะไปเมืองรดจากคือแกล้ๆกับพุทธขยาพอไปรา้วจะคือไปต่อพุทธขยาไปหาเดชานสวัรด์กลับไปทางเขาใช่ไหมตามพุทธประวัติ แต่ไปตามหลงตากไปตามล่องลอยเนี่ยตามล่องลอยไปอย่างไงหลายรอบเอยมันเป็นอย่างนี้จะพิสูจน์จะไงมีอยู่จริงๆพุทธเจ้าก็สามัญชนมันเหล่านี้ไปเจอเจ็บตายมันเรามองเห็นปัญหารเรื่องนี้จึงโอบปวดชีวิตของเราเน่ะเราเลยตัดจรลูแล้วก็สอนปล่อย ดังที่สวดปัญจวคีสมัยนั้นปัญจวชีเป็นสาวกคนที่ห้าบรรลุธรรมหลังเพื่อนโวนัญาบรรลุธรรมก่อนเป็นพระสงฆ์แรกของโลกตั้งแต่วันตัดจะลูตั้งแต่วันเพื่อนเดือนหกมาถึงวันเป็นเนินแปดตอนนั่นยังไม่ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธโธ ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเฉยๆก็สอนคนลู่ตามจึงได้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธโธก็ทำพุทธ ร, รูปปางนเนี่นอยู่ยโยชลาน้าได้แสดงธรรมโปรดคนลู่ตามยกนิ้วแน่อนอนหรอใช่ัหมบอกให้ลู้ลู้ได้นะหลงหไหมไหมหลง มีความโกรธหลายความโกรธแน่นอนเหรอจว่าเฉลยเราคือคนธรรมาจะบกยกนิ้วกันเห็นไหมเขาทรุปอยู่ในสารานาะนะปางปฐมเทศนายกนิ้วแต่ว่ามันแม่นยำลนะยกนิ้วนันคนกินมาสุโกโตตอนที่หลงตากลับจากบังกินก็ตามมา เราหเห็นว่าสุโกโตเขายกนิ้วอะไรไม่รู้นะแต่พระเจ้ายกนิ้วเนี่ยคือสำเร็จแล้วพระธรรมคำสอนเป็นบังเป็นผลมีผู้ลู่ตามเจองได้ว่าสั ม, มาสัมปวโทสอนคนน่ะลู้ตามได้ว่าเราสวดพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ถึงและสอนคนแลู้ตามด้วย พระพุทธเจ้าตัดูยอย่างโดยชอบแล้วสอนคนเดในรูตามพระธรรมคือคําสั่งสอนพระเจ้าปฏิบัติรูยิ่งแห่งจริงปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้พระสงฆ์คือหมู่ชนผู้เชื่อฟังคําสอนตามทำไว้ไหนปฏิบัติตามพระตามคำสอนแล้ว ยิ่งเห็นริ่งนะ่าทำที่คนรู้คนเห็นแล้วสอนคนเรีรู้ตามนี่คือพ ร, รตาตันตายสามอย่างเพราะนั้นพวกเรเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาให้เห็นคนโกรธอยู่น่าสงสารเห็นคนทุกข์ก็น่าสงสารทำไมเขายังทุกข์มันไม่ทุกข์ก็ได้ทำไมเขายังโกรธไม่โกรธก็ได้ด้วยกันอย่างนี้มนุษย์ ทำไมปีเฉลยเบียดเบงกันถ้าเขายังไม่โกรธเขายังไม่ทุกข์ก็ยังมีทุกข์ของเขาอยู่ต้องแก่ต้องเก็ บ, ต, กบต้องตายเหมือนกันหมดจะมาบียดเบียนทําไมเมตตาที่คุณล่นฟ้ามหาคุณนาที่คุณเมตตาคุณนาไม่ ต, า, า, มตาเปรคะาอาหลักเกลียดกระทำไม่ ถ้าทั้งหลายช่วยหลงตาขอให้หลงตาตงมีโอกาสช่วยคนแต่มันจนมันก็ช่วยไม่ได้เท่าที่ควรอยู่ที่นี้ดูเอาทำไมอยู่ที่นี่เพราะที่นี้คนไม่เข้าวัดสมัยก่อนฆ้ากันตาแมนบอกมีเพีน่นลอยเลือดหลวงตาไปเก็บศพคูตาย รดยเลยเว้ยข้าก็นอนข้าได้กว่ า, วาเถื่อนก<สม>ว่าเถื่อนมากสมัยก่อนนะปืน 16, เอ็มสิบหกปืนลูกสองห้นานัดภายกันเกลื่อนตำรวจทหารไม่มีแต่บ้านทะเลาะกันตัดสินใจด้วยความรุนแรงอยงงตายังไก่ไก่เกี่ยดังนี้พ่อคงแม่แพงทะเลาะกันแม่นบอกจี้ได้มแม่เพียน ตีหัวเกันหัวแตกตีหัวกันเตอะแห่แพงร้องให้มาหาไม่มีผู้บ้านไม่มีใครที่ไหนมาหาหลวงพอ่อผู้ข่าจะล่าหลวงพ่อกลับบ้านมาอยู่ในบ่านได้ดอกพอข้องตีหัวแตกแล้วเลือดอาบมากเลยหายบ้านหายเมื่งเขาจะล่าหลวงพ่อกลับอายุบ้านเกาบาเยอมเรารอก ล้องตากลวโอ้ยอย่าเพิ่งไปแม่แพงให้ให้หลวงพ่อได้ไปพูดดูก่อนถามดูก่อนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อา ย, อยอคนเอาแม่แพงคนอื่นหลวงพ่อยังพูดได้แม่แพงเป็นคนใช้บาททุกวันหลวงพ่อพูดจะไม่ได้บ้างหรืออย่าเพิ่งไปตอนเย็นหลวงพ่ อ, อย่าเข้าไปถามดูมันเป็นอะไรกันก็เลยอ๋ อ้าหลวงพ่อไม่ให้ไปก็หยุดก่อนนะไอ้บอกนะตอนเย็นหลวงตาจะเข้าไปบอกลูกสาวลูกเขยมาก็เข้าไปก็นสองคนไม่มีลูกนะลูกเขาออกจากบ้านหมดแล้วคนหนึง่งนั่งรถคนหนึ่เข้ามาพขาโค้งมานี่ไงแพงมานี่ออบอกเป็นจังไรกัน ไม่ใหญ่ขครอยากพูดเอยเขียบไปยังไหกันโพค้งไปไหนก็น ไ, ไ, นกนไม่แพงหัวแตกก็ผมก็ทําอาหารอยู่แม่แพงก็บ่นด่าผมผมก็โกรธโกรธเนาะโกรธผมไม่ได้ตีแม่แพงนะผมก็โกรธผมโยนเขียงลงไปข้างล่างพอดีแม่แพงเดินมามันมาถูกหัวแม่แพงเข้า ผมแพงเลยผมก็แตกผมไม่รู้เกจ <laughs> ลูกเขยก็นั่งอยู่ลูกสาวก็นั่งอยู่พอดีพอพ่อของพู้หนึ่งผู้ลูกสาวก็พูดว่าแม่น่นะนะด่าเราเราก็เฮ็ดกินอยู่ดาเราพ่อเราก็บอปากเราเราเฮ็ดกินอยู่แต่ว่านไหเห็นหายนี่คืมาเห็นแต่หัวแตกบอรู้จักต่อเ น, นี้มันเป็นยังไดง โหก็มองากอาจจะเป็นความจริงลูกสาวพูดหระอาจจะเป็นความจริงโอ้ยแม่แพงพ่อคงไ ม, ม่เจตนาที่แม่แพงแม่แพงด่าพ่อคงอยู่ไว้ผู้ขาก็ด่าเราอยู่นี่นแหะผู้ขาก็ด่าอยูนี่นเลยอันเนี้ยมันหลงตีหลงมือแม่แพงเลยศพกับจังหวะพอดีนะกลับมาจ้ะ ให้แพงก็หมอเใสเพ้าคองเ่้ากองก็เอาอมือรูปหลองอยู่ด้วยกันจนตายเลยอย่งเากนี้นเปลี่ยนพูดมไวานไหใช่ไหมอยนงแก้วเหรียแก้ ว, กวไอ้คุชี่ ป, ปมนะคุชีปปม่มโอ้เสียงสับมือกันไอ้มีหมอวิ่งหาหลวงพ่อที่วัดแถวหวพ่อเห็นเนื้อมือมันขาดไปแล้วเหลือด้วยน้อย เอามีคนตัดทิ้งเลย <laughs> ไปเ<ไ>ป็น <laughs> มันตายไปแล้วมันเด็กน้อยมันมีรูปเป็นผัวเราเจอไม่เห็นจากตัวอนะันตายไปแล้วหลังตานี่ตัดมือมันอ่ะเอาเสียงสับปรย์อันขุดจีบผมนู้ดกันเอาเฉียงมาตัดเนื้นนนนอทิ้งเลยแล้วก็เอาอยาเหลืองอเนี่ยแดงยาเหลืองทาทําแผลมันก็หายไม่มีหมอใช่ไหก็ ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อสองสารคนสงสารคนไม่พอสองสารป่าสงสารสัตว์ยิงแข๊งยิงกวงตายวันลจีตัวไม่รู้ที่ไหนแล้วก็อยู่เนี่ ย, เ, ยเห็นกับตาโอ้ยทำไมละ่ะเห็นเด็กไปตายในป่าเห็นไข้ามาราเรียอุม้มให้รองให้กันมาตายเป็นไข้มเรียใช่ไหม เฮ้ยไปช่วยคนตายบ้านเหลยาวลูกสาวสองคนเอาคนนี้ไปเฝอแล้วกลัมาเอาคนนี้กลับแล้วหลงตาจะหนีไปไหนล่ะไม่มีใครอยู่เดินไปสวดมัตติกาแข่งพ้นไปเดินกลับมา <c oughs> คนเดียวโน่นเขาตายอยู่บ้านสมบกเดินเดินไปบ้านหลังแท้เนี่ยให้หลงตายไปทำบุตอนเช้าทํามา ไม่มีที่นอนเดินไปสวนมนย์เย็นเดินขึ้มาเดี๋ยวเดินเท้าเตืนไปแล้วเด็กิะหนีไปไหนล่ะมันก็หนีไม่ได้เลยอยู่ที่นี่สามสี่สิบปีแล้วไม่ใช่อยู่เพื่ออะไรก็เลยไม่มีความสามารถช่วยคนได้เท่าที่ควรสุ่งว่นนี้ก็มีศูนย์เด็กอนุบาลที่นั่น สามสิบกว่าปีแล้วสงสารเหยสงสารไมอยากเห็นคนทุกข์่อยากเห็นคนโกรธไม่หลงตาไม่โอกาสได้ช่วยคนจึงจะมีชีวิตชีวาถ้าให้อยู่เฉยๆอยู่ยไม่ได้แล้วเจ้าบ้านเลี้ยงดูก็ดูแลไปพวกเราก็อยู่ที่นี่ก็ฐานะไม่ค่อยดีถ้าฐานะดีเราก็จะจะทำมา จะทำอะไรามากกว่านี้นะไม่อยากเห็นคนทุกข์วิธีไหนที่คนจะไม่ทุกข์ไม่โกรธจะทําลงไปบางที่เห็นเด็กลองให้โอ้ยคิดนอนไม่หลับเลยแต่ก่อนมีนะเด็กมาลองให้หนนะลายวันลองตาอยู่ผู้เดียวเสียงเด็กลงให้เออเอเ อ, เอฟองัง หังดูมันเสียงเด็กนั่นน่ะหวังคนก็ว่าผีบังบทเสียงเหมือนคนลองแจ้งแล้วหลงตาแจ้งแล้วนกบังเพลินแต่ก่อนมันงคืนไม่เงียบนะใช่ไหมไม่แพงเสียงสัตว์ป่าน่ยโอ้ยฉงเสือฉงสร้างเสฉงหมีกัดกันดังแจ้งแล้วหลงตาแจ้งแล้วหวังไดคือเสียงคุยกัน วังลองเด็กลองให้ไม่เสาาียงเด็ก น, นั่นแ่ะไม่ใช่เสียงสว์แล้วก็อยู่ตรงกระตีหลังนี่นอนไม่หลับปอยปอปก็ไม่ฉายไปนะค่อยๆเดินไปถ้าเป็นผีก็มันฆ่าจะถ้าเป็นเสือก็มันหลอกเราไปกินซะทั้งหมัวมันว่า <laughs> บางทีมันเสียงอนผีมันดุได้เหมก่อนนะ ทางทีเราได้ยินว่าเสียมันเหมือนกับเรีย้ยงนายพานไปดักเนื้อเพราะว่าพโ oh, อ้ยแม่ออกลูกแล้วลงมาเสียกินเลยตายเลยเสือกัดตายเลยอันนี้เสียงเด็กลองให้เอาโศตายถ้าเป็นเสียกัดการมันตายไปซะมันสงสารน่ะสงสารเด็กอ่ะมันลองให้หมันกลายเนเจ็บปวดตื่นไป สูตเยสือก็กัดซะนี่เสียงคนน่ะเสียงเด็กน่ะเดินไปเดินไปเดินไปไปใกล้ๆเสียงคูดก่อนเสียงพ่อเสียงแม่พูดก่อนูก่ยืนอยู่เสียงคนนั่นเนี่ยวังไปฟังไปเสียงคนแท้ๆเลทั้งเสียงผู้ใหญ่ทั้งเสียงเด็กล่นก็เลยไป หเออ่ะ อ, อืมาเเขาก็เป <paint avec> ิดประตูออกมาทั้งขวทั้งเมียอุ้มลูกลูกน้อยมันออกมาน้ตาตาเป็นยังไงล่ะเมียผลคอดโูกอยู่ผาพึ่งมันไม่มีที่อยู่มันเตียกเด็กมันออกใหม่ๆก็เลยอุ้มมาเนี่ยแข่งผลมามาขอนอนนี่สักคินหนึ่ง ม้าจังไหนพวกผมเป็นทหารป่ามีนะจำไวก่อน น, นะ <Yeah. S 1> พวกผมเป็นทหารป่า <Yeah. S 1> พวกผมเกิดล็กกันเลยเสียกันเลยตั้งท้องกันมาหมู่เขาไม่อยู่พวกเขาไม่อยู่ให้ออกไปให้กลับบ้านยังไม่เบี่ยวกาดกลับบ้านผมขอนอนนี่จะเกินสองเกินก่อนก็เลย อ, อยู่ชิเงียบนะ จะให้ช่วยแลย้วเอรีก็ตื่นเช้ามาเอาลงไปบา้านโค ก, กงูงไปหาหมอมันปวดะดือมปะนะสองตาเป็นหมอหน่อยๆเคยทำข้อดนะ <c oughs> อเออไดียวมันทำข้อไม่เป็นนะ่ะสะดือมันมันตัดไม่เป็นนะ่ะเอาอะไรแล้วเอาเชือกไปมัดไปหน่อยนะึงเชือกไปมัดผ้าย ไ, ไปมัดไว้สองสามปาะ มันก็ลงไปแต่แม่น่นนะมันใะญ่เป็นไงล่ะเราก็อยู่นี่มันไม่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อความไม่ตาคนหนาถ้าเราไมา่อยู่ไม่รู้จะอยู่ป่าก็ทำลายสัตว์ก็ฆ่าตายเราไม่คิดว่าจะมารักษาป่าไม่คิดว่าจะมารักษาสัตว์จะมาเผยแพร่ธรรมะมาปฏิบัติทำในป่า มาสัมผัสกับป่ามันโอ้ยสบายแต่มันมีงานอยู่เลยยังไม่เฉดเลยงานเดี๋ยวนี้อย่างจะไปปลูกป่าผู้หลงมาดูตัวเองแล้วมันก็เจ๋แล้วนะเพราะนั่นเนี่ยอันเราทําไมจะให้ไปเบียดเบียนกันทำไมเบียดเบียนตัวเองทำไมายให้สงสารตัวเองบ้างเลย ต้ไม่เป็นทุกนอนไม่หลับเพราะความคิดแค่นะั่นเหลอมันทําได้นะมันทุกข์วามคิดเนี่ยนิดหน่อยมันหลงเนี่ยตัวการมันมันก็มีตัวภาวะที่รู้ที่หลงนี่แหละจะทํายังไงจึงมั่นใจที่สุดเลยเพียนหลงเป็นรู้ทาได้จริงๆจะให้พากันหลงไปทางไหนถ้ามีหลงก็มีโกรธมีทุกข์ ถ้าไม่หลงไ ม, ไม่ไม่มีพวกนั้น่ะมันไม่มีจริงๆทำไมทุกเนี่ยนคือพระพุทธเจ้าสอนพวกเราอย่างนีเป็นเครื่องกำจัดทุกข่ามันจบไปสาห้ทุกเนี่ยความโกรธความรบความหลงมีประโยชน์อะไรทำไมจึงให้มันนอนอยู่กับเราได้สองสารตัวเรา ช่วยตัวเราเถอะพวกเราอย่าปล่อยให้หลงอย่าปล่อยให้โคลนอย่ปล่อยให้ทุกข์แล้เมื่อมันเมื่อมันทำอะไรตัวเอสงสารคนเดินมาช่วยกันนะเนี่ยมาช่วยกันขนส่งออกไปให้คนได้คนทุกข์นี่งานเขาพวกเราพวกเราจึงอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันเพื่อให้ทํางานอันนี้ไม่ทําอะไรก็ช่วยตัวเองอย่าให้หลง พยายามรู้จักตัวพยายามรู้จักตัวนี่เดี๋ยวก็เกินเวลาไปแล้วจบเท่านี้แล้วเนาะ